อยากฟังเพลงไว้ฟังเพลงก็หายอยากอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนตอบสนองกิเลสกิเลสก็หายไปนี่เป็นวิธีอยักลกโล ก, โลกอีกวิธีหนึ่งก็ทําสมถะทําสมถะไว้โกรธขึ้นมาก็จเจริญเมตตาไปมีราคะขึ้นมาก็พิจรารณาสุภาดูปฏิกูลดูอาสุภาษายฟุ้งซ่านก็มาอยู่กับลมหายใจรมานาปนานสติมีโมหะค่อยๆทาไป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 อย่างเราเอามือไปชกกาแพงชกเปรี้ยงเลยชกอย่างแรงมือเจ็บมือเจ็บเป็นวิบากยังไงก็เจ็บถ้าไม่เซอร์ไปชกมันก็ไม่เจ็บงั้นจัดการตรงไหนตรงที่กิเลสพอมีกิเลสก็เกิดการกระทํามีการกระทําก็มีวิบากการกระทํ า, า, รรทาคือกรรมมีกิเลสแล้วก็มีกรรมแล้วก็มีวิบากวิบากแก้ไม่ได้ตัวทุกข์เป็นตัววิบากตัวอะไรเป็นตัวกรรมตัวเจตนาตัวความปรุงแต่งเนี่ย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 นิมิตเยอะเกิ น, นั่นแหละนิมิตเกิดขึ้นให้กลับมาดูจิตดูจิตนะคะกลับมาดูที่จิตเช่นเห็นเทวดาแล้วดีใจอยากขอหวยรู้ว่าอยากนะย้อนมาดูที่จิตอย่างนี้นะเห็นผีแล้วกลัวรือว่ากลัวนะไม่ต้องไปนั่งดูนะว่านี่ผีจริงหรือผีปลอมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องค่ะแรกๆก็เจอแบบนั้นห ล, หลังจากนี้ก็ลุกถ้าเห็นแล้วลูกก็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 ให้พานาพนาได้ดีมีอะไรจะแนะนำเช่นแนะนำผมครับรู้สึกกายบ่ายๆนะไม่งั้นจะเจ้าออกข้างนอกไปเมื่อเจ็ดสิบหนึ่งขอบคุณครับนอน่นั่งเก้าอี้อยู่นั่เก้กาหลังกราบน้มสักการหลวงพ่อค่ะฟังดีซีดีของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งมาวัดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยค่ะอยากจะขอคำแนะนำการสังเกตั้มใจเราไม่เหมือนเดิมดอกไหมมันสบายขึ้น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 ตแต่ว่ากายเราก็ต้องรู้น ะ, ะเพราะเรามีทั้งกายมีทั้งจิตไม่ใช่ดูแต่จิตอย่างเดียวสวดมนต์นั่งสมาธินี่ต้องท ำ, ทำไปจะได้มีแรงสามสิบสารวันพิธีบูชาพระพุทธเจ้าที่กรุงเ <ๆ S 2> ทพตหานครวันนีู้้สึกตก่นเด้นนะารัรู้สกยาพจะพุทธเจ้าที่หรุง่วยใหาน่า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 นมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงสามเดือนที่หลวงพ่อให e ้ไปภาวนาเองอะค่ะก็จะเห็นกิเลสเยอะอะค่ะแล้วก็เห็นใจที่ท้อแท้ไหมเห็นนะน่อจาตัวนั้นเป็นตัวจุดอ่อนของเรานะต้องเข้มแข็งตัวนี้ถ้าอ่อนแอเราสู้ไม่ได้เพราะเราสะสมความอ่อนแอมานานข้ามภพร้ามชาติเราต้องสู้ด้วยความเข้มแข็งตอนนี้มันก็สู้มากค่ะแล้วมันก็เร่งความเพียรแล้วก็ทํารูปแบบเยอะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่า